นี่คือรายการเปิดทำที่ถูกปิดภาพออนไลน์ทางเพียวธรรมะ닷คอมาจมาพระไพบุญพิปุญโญเรจะมาพร้อมกับคุณคุณหมอณัฐพงศ์คราบกราบนมำสการและสวัสดีท่านผู้ฟังครับกับผมทันตแพทย์ณัฐพงศ์กนกวิรุณจากกรุงเทพครับอันนี้เป็นเอพิซอดที่เท่าไหร่คุณหมอ54ครับ54ในเดือนนี้เป็นเดือนมกราคมปีสองพัร้ยห้าสิบเราก็ยังอยู่ในธีมของความเป็นอิทธิบาท4ี ครับก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนี้ต่อไปก็ขอนตอบคําถามของท่านผู้ฟังก่อนครับมีคําถามมาจากท่านผู้ศึกษาปฏิบัตินะครับอเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติจริงๆเลยก็คือบอกว่ า, วาคือถามเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตติซึ่งท่านผู้ถามเนี่ยก็คือนั่งสมาธิแล้วบอกว่าไม่เคยเจอสภาวะปิติอแต่มักจะเฉยๆแล้วก็พอออกจากสมาธิก็สบายใจอืเลยไม่ทราบว่า อันนี้เกี่ยวกันไหมกับแนวทางปัญญาวิมุตต์หมายความว่าคือการนั่งสมาธิเนี่ยไม่จําเป็นต้องได้รับความมีปิติสุกูเบคาคือไม่ไม่จําเป็นต้องเป็นขั้นขั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับ อ, อ๋ อ, อเออค่เลยเอองั้นตอบตรงนี้สักหน่อยหน่อยนึ่งก่อนคือปิติเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องตัวสั่นน้ําตาไหลแล้วก็ตื้นตันใจไม่ใช่อย่างนั้น ปีติมากปีติน้อยก็มีปีติเนี่ยก็จะให้พูดถูกก็คือความอิมเมอร์บใจความสบายใจจะเป็นเรียกว่าในในแนวแนวของความสุขแต่จะมีความหยาบมากกว่าความสุขความสุขนี่จะละเอียดกว่าปีติเช่นว่าเราสอบมาเข้ามหาวิทยาลัยได้อย่างเงี้ยเห็นชื่อชันในในในในชื่ออย่างเงี้ยหรือเห็นชื่อตัวเองขึ้นมาบนจอทีวีอย่างเงี้ยถ้าถ้าสมัยหนึ่งกขประกาศ ชื่อผลสอบเอนทานทางทีวีใช่ไหมแม่หมันดีใจนะถึงแม้เราจะมั่นใจว่าเราสอบได้แต่เห็นชื่ออีกทีแล้วมันเสบายใจขึ้นมาอย่างนี้นี่คือลักษณะปีติอเหมือนเฮขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจจะไม่ต้องเฮอย่างนั้นก็ได้ไงคือแค่ว่าเราเราสมมุติเราทําคุณทําก็สอบมั่นใจมากว่าคุณผ่านแน่ใช่ไหมแม่แต่ตอนที่เขาประกาศรายชื่อเนี่ยมันกลตุมตุมต่ำต่ตนะพอเห็นรายชื่อเราขึ้นมาจริงๆอย่างเนี้ยแม่เรามั่นใจเราเราคือมีปีติขึ้นมา อย่างนั้นก็ได้อ่าครับเพราะฉะนั้นปีติเนี่ยไม่จําเป็นต้องน้ําตาไหลตัวสั่นขนลุกไม่ใช่เอ่อคือฉนั้นก็ใช่อยู่แต่ว่า<ม>ถ้าเราไม่มีพวกนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีปีตินะอิะอ่มเอิบใจสบายใจนั่นก็เป็นปีติแล้ว<ม>โอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดคําว่าอิ่มเอิบใจความสบายใจใช่ถามว่าปีติเนี่ยต้องเป็นปีติที่เป็นนิรามิตนะที่พุทธเจ้าบอก<ม>อ่าเวลาที่เราทําความเพียรในการเอากิเลสออกไป แล้วเอาอกุศลธรรมออกไปเอากุศลธรรมเข้ามาเนี่ยตรงนี้จะเกิดปีติขึ้นอยู่แล้วครูชาบอกว่าคนที่ทําเอาสัมมา เ, าเขาเรียกว่าวิริยะสัมโพชงใช่มครั บ, รบก็จะเกิดปีติสัมโพชงอันเป็นนิรามิตรเนี่ยจะเกิดขึ้นตรงนี้ ค, คือความอิม่มเอิบใจความสบายใจมากก็ตามน้อยก็ตามก็มีเท่านั้นอมหมายถึงว่าในการปฏิบัติทำสมาธิเนี่ยนิรามิตก็คือไม่ไม่ขึ้นกับพวกของที่มันเป็น ทางโลกจับต้องได้อย่างนี้ใช่ไหมครับตาหูจมูกลล้นกายอ่า ไ, ไม่ใช่แค่อย่างนี้ทีนี้ประเด็นของคุณผู้ศึกษาปฏิบัติเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราจะเลือกเป็นแบบเจโตวิมุตต์หรือปัญญาวิมุตต์นะครับเ อ, อไม่ใช่คือหมายว่าเราไม่ได้เลือกว่าเราจะเป็นพระอรหันต์แบบไหนในสองแบบนี้เนี่ยประเด็นคือเราเดินตามมรรคแล้วมันจะออกมาทางไหนก็ก็เป็นตามนั้นแหล ะ, ะเราเรามุ่งสร้างเหตุแต่ว่าผลยังไงก็ประเด็นคือเรา ม, มีสมถะฐานและวิปัสสนาไปด้วยกัน ครับนะแล้วพอเสร็จปุ๊บมันอาจจะเป็นลักษณะของอุคโตภาภิมุตต์หรือมันอาจจะเป็นลักษณะของผู้บรรลุแบบปัญญาวิมุตต์อย่างนี้ก็ได้แต่ทั้งผู้ที่บรรลุแบบอุคโตภาภิมุตต์หรือผู้ที่บรรลุแบบปัญญาวิมุตต์จะต้องมีทั้งเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตตอ์ที่เราคุยกันเมื่อเมื่อคราวที่แล้วครับคราวที่แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าเราส่วนใหญ่เราจะไม่ได้อยู่ในความสุขนะคือไม่ได้อยู่ในสมาธิอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพวก ทุกขาปฏิปทาอันนี้จำได้มาที่พระพุทธเจ้าเคยพูดถึงสุขาปฏิปทาสุาใช่ไหมทุกขาปฏิปทา<ช>สุขาปฏิปทาเนี่ยคือคุณนั่งสมาธิแล้วคุณแม่แฮปปี้ตลอดใช่แต่ว่าทุกขาปฏิปทาเนี่ยคุณนั่งสมาธิแล้วคุณพิจารณาลูกเดียวทั้งสองพวกบรรลุได้เหมือนกันพวกที่พิจารณาเห็นสังขารไม่เที่ยงเห็นสังขารดับไปพิจารณาเห็นอสุภะเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกนึพวกนี้คือทุกขาปฏิปทาเพราะไม่ได้ความสุขที่เกิดจาก พิจิตุ่ในภายในครับแต่ถ้าเธอพิจารณาเห็นเกิดดับบ้างอะไร เ, เช่นว่ า, าสุภาษต่างๆกิดแต่สุภาษอย่างเดียวเลยนะปาดเนื้อออกปาดหนังออกเอากระดูกไบรบนให้ละเอียดเผาทิ้ง่เงี้ยนะอันนี้คุณคุณทุกขาปฏิปทาคือไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปเดินจงกรมจนเท้าแตกนี่ไม่ใช่ทุกขาปฏิปทานะหรือไม่ใช่ว่านั่งห้องแอร์เย็นสบายนี่เป็นสุก ข, ขารฏิปทาไม่ใช่ท่านผู้เฒ่าดูที่จิตดูในภายในใช่ดูในภายใน ทุกหรือสุขวัดกันที่ความสุขที่เกิดจากจิต <G id. S 2> นิรามิตความสุขที่เกิดจากสมาธิตรงนี้ถ้าเราไม่ค่อยมีความสุขที่เกิดจากสมาธิบ่อยๆนะมันก็จะเข้าขายของทุกข์าปฏิปทาได้ ม, มีต่อเนื่องก็คือว่าจากท่านผู้ถามที่นั่งสมาธิเนี่ยท่านเห็นการดับไปของความคิดบางทีก็เห็นความเกิดก็คือเห็นเกิดเห็นดับนั่นะ ก็พยายามจะให้ได้ปิติแต่ก็ทำไม่สำเร็จก็ uh huh. จเลย <laughs> มุ่งพิจารณาแบบเดิมก็คือว่าสังเกตความเกิดบ้างดับบ้างของความ uh huh. คิดรู uh huh. ด้อย่างนี้ไปเรื่อยๆจะมีโอกาสบรรลุธรรมใช่ไหมคือบางทีการที่อ่เรียกว่าเห็นเกิดเห็นดับนะั่คือหมายว่าเรามีสติอยู่ใช่ไหมครับถ้ามีสติอยู่เนี่ยอ่คือ หมายถ้มาจะวิ่งไงคือเหมือนกับไอ้โพชง7เนี่ยนะเรารไม่ได้ว่าจ่อจงอันเด็ดตอนนี้ฉันจะเจริญปีตีสัมโพชงเดี๋ยวทําไปอีกสิบนาทีเดี๋ยวฉันเจริญวิทยาสัมโพชงเดี๋ยวทําไปอีกสักกพรุ่งนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวฉันจะเอาปะะัศทธิสามโพชง ม, ม, มันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เหมือนบันไดที่จะก้าวทีละขั้นอย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมครับคือมันเป็นก็เรียกว่ามาพร้อมๆกันนะะคโพชงแปลว่าองค์ทําเป็นการตรัสรู้ธรรมนะพอเรามีองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยคือเราจ่ออยู่ที่ประตููส่วมุตแล้ ครับนะที่นี้เราเข้าไปไม่ได้อย่างที่เราคุยกันว่าเพราะทุคุณถูกดึงหลังอยู่ณนะคุณถูกบังตาอยู่ทำให้คุณอยู่จอบประตูจริงๆแต่คุณไม่เห็นประตูะะประเด็นตรงนี้คือคนเราจะรู้ได้ไงว่าจิตเราตรงนั้นนะมันหดหูฟุ้งซ่านหรือว่าต้องเติมตรงไหนขาดตรงไหนคือคุณต้องมีสติตลอดครับคุณต้องมีสติตลอดณนะสติเนี่ยพระเจ้า บ, บอกว่าเป็นเลิศในที่ทั้งปวงเป็นธรรมันนะเอง บาบงทีเราจิตเราหดหูอยู่หรือเราหดหูอยู่เราควร จ, จะเจริญปีติใช่ e ถ้าจิตเราฟุ้งซ่านอยู่คุณไม่ควเรเจริญปีติสัมโพชงครับถ้าคุณจิตฟุ้งซ่านอยู่จิตจะให้ตั้งขึ้นไม่ได้ด้วยปีติสัมโพชงถ้าจิตคุณฟุ้งซ่านอยู่จิตจะให้ตั้งขึ้นไม่ได้ด้วยวิ ร, <S <S ริยะสัมโพชงแต่ถ้าคุณจิตคุณฟุ้งซ่านอยู่จิตคุณจะให้ตั้งขึ้นได้ด้วยอุเบกขาสัมโพชงเป็นต้น นะด้วยประสิทธิ์สัมโพชงเป็นต้นด้วยสมาธิสัมโพชงเป็นต้นอันนี้อันนี้คือนี่พุทธวจนะเอาทีนี้ฉันจะรู้ได้งไงว่าฉันฟุง้งซ่านหรือฉันไม่ฟุง้งซ่านคุณต้องมีสติไง ค, คุณต้องมีสตินะสะติเนี่ยจะเป็นตัวที่บอกว่าอบางทีเราพิจารณาจนกระทั่งเราก็ไม่รู้ว่าเราฟุ้งซ่านหรือเปล่าอันนี้เาจะยกตัวอย่างนี้เราจะนี่มาถึงดึงมาถึงเรื่องที่เราจะพูดกันในวันนี้มาเล่นคงว่า ใครตอนที่เป็นเด็กเนี่ยเคยทําการทดลองใช่ไหมเราเอาไปไม้แว่นขยายนะมารวมแสงพระอาทิตย์ใช่ไหมอันนี้เราได้คุยไปตอนที่แล้วหรือเปล่าอำรวมแสงพระอาทิตย์เอาแว่นขยายมารวมแสงพระอาทิตย์อ๋อใช่ครับอีกทีกัได้ครับเอาแว่นขยายมารวมแสงพระอาทิตย์ใช่ไหมแล้วเราก็อรวมให้จุดรวมแสงนี่มันเล็กมากไปเลยแว่นขยายนี่คือไอ้แมกนิฟายคลาสอะนะเอามารวมแสงแดดนะ เราก็ออกไปข้างนอกใช่ไหมถือแว่นขยายคนละอันไปเด็กคนหนึ่งแล้วก็เอากระดาษมาแผ่นหนึ่งแล้วก็ไม่ขีดไฟมากลัดหนึ่งใช่ไหมเขาก็ลองลองปรับโฟกัสของเจ้าตัวแว่นขยายแล้วก็ไปจุดหัวไม่ขีดไม่ขีดลุกฟู่ขึ้นมาเลยลุกไหม้เลยอันนี้เราเคยทําการทดลองอยู่บางคนเคยอาจจะนึกภาพออกนะลูกหรือว่าเด็กคนไหนที่เขาเอาไปทําการทดลองเนี่ยเขาก็เอาแว่นขยายเอาไปข้างนอกแสงแดดอันหนึ่งในที่สว่างสว่าง ในที่ที่มีแสงแดดตรงๆก็เอาแสงแดดเอาแว่นขยายนีรวมแสงซะปรับจุดโฟกัสให้ถูกต้องสามารถจุดหัวไม่ขีดได้โดยที่ไม่ต้องไปขีดกับบามันใช่ครับหรือว่าสามารถเผากระดาษให้เป็นรอยได้ทีนรครับทีนี้ทีนี้นะถ้าเราต้องการเขียนเป็นตัวหนังสือบนกระดาษนี้โดยใช้จุดรวมแสงเนี่ยเผาให้เป็นรอยสมมติเราต้องการเขียนกไก่นนะโดยใช้จุดรวมแสงของแว่นขยายเนี่ย เผากระดาษให้เป็นรอยกอไกออกมาแสดงว่ามือคุณเนี่ยต้องเคลื่อนไปด้วยมือที่ถือแบนขยายหรือไม่มือก็ถือกระดาษมันก็ต้องเคลื่อนไปด้วยแล้วในกระดาษเดียวกันจุดรวมแสงก็ต้องนิ่งอยู่ด้วยต้องนิ่งใช่ครับใช่ไมทีนี้ไอ้จุดที่เรารวมแสงเนี่ยนะถ้าเราถือจับแน่นเกินไปเนี่ยมันก็มือสั่นถูกไหมแต่ถ้าเราจับล้วมเกินไปเนี่ยไอ้แบนขยายก็หลุดมือครับ ที่อาตมาต้องการจะเปรียบเทียบตรงนี้นี่เป็นอุปมาอุบายของข้าพเจ้านะไม่ใช่ของพุทธเจ้าพ ok <อ>ุทธเจ้ายกไงเดี๋ยวจะอธิบายฟังอีกที่หนึ่งอุปมาอุบายของข้าพเจ้าตรงนี้หมายถึงถ้าเวลาเราตั้งจิตของเราเนี่ยบางคนเข้าใจว่าเวลาเพ่งเนี่ยหรือเวลาฌานคือการเพ่งเนี่ยคือคุณคต้องบังคับเอาไม่ใช่ไง<อ>จุดจิตของเราเนี่ยคือเปรียบเสมือนการกำให้เจ้าแว่นขยายแว่นขยายแตนะ่ถ้าเรากำแรงเกินไปแต่คุณเพ่งคุณบังคับเกินไปไม่ได้ ถ้าคุณเอ่อถ้าคุณละรวมเกินไปก็ไม่ได้แว่นขยายก็หลุดมือหลุดมือครับเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับเวลาเราจะจับนกกระจาบด้วยมือสองมือถ้าบีบแน่นเกินไปนกก็ตายแต่ถ้ารวมกันเป็นนกก็หนีหลุดมืออ่าเช่นเดียวกันเวลาเราเอาใจจดใจจ่อเนี่ยคุณไม่ต้องบังคับนะคุเอาใจจดใจจ่อนิ่งไว้ทีนี้นี่คือประเด็นในการถือแว่นขยายนะครับแล้วทีนี้เวลาเราเคลื่อนไปในกระดาษ เคลื่อนไปในกระดาษนะเอเอเ อ, อแหวนขยายที่เราทรงไว้อย่างดีแล้วจุดรวมแสงไว้อย่างดีเนี่ยเวลาเราเคลื่อนไปบนกระดาษเนี่ยเราต้องคอยระวังไม่ให้จุดรวมแสงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเข้าใจไหมคือระยะโ<ช>ฟกัสเนี่ยต้องเหมือนเดิมระยะห่างระหว่ง<ช>ยางกระดาษกับหน้าหน้าไอแ้แหวนขยายเนี่ยต้องเท่าเดิมคเข้าใจไหมแต่ว่าเราก็ต้องรักษามุมด้วยโอ้เพราะฉะนั้นมันค่อนข้างยากอืมุมของแสงมันไม่ใช่เวลาเที่ยงตรงนี่ ใช่ไหมมันจะมีความเฉียงๆของแสงเวลาสายอย่างเงี้ยมันจะแสงทํามุม40องศา30องศากับพื้นดินอย่างเงี้ยเราก็ต้องปรับมุมใช่ไหมในขณะเดียวกันเราก็ต้องไล่ไปตามผืน ก, กระดาษนะซึ่งอาจจะไม่ตั้งฉากกันนะกับตรงนี้เพราะฉะนั้นหรือถ้ากระดาษตั้งฉากก็ต้องมีคนนึงถือกระดาษที่ให้คอยมันทํามุมตลอดใช่ครับเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการเคลื่อนตรงเนี้การเคลื่อนตรงเนี้คือการเปรียบเส ม, มือนกับการที่เราพิจรารณา เปรียบเทียบอย่างนี้มาดูตรงเราจะรู้ได้ไงว่าจิตของเราเนี่ยเป็นสมาธิหรือหรือว่าจิตของเราฟุงงซ่านคือหมายครามว่าเวลาเราพิจารณาอยู่อย่างเงี้ยเห็นสังขารไม่เที่ยงอย่างเงี้ยเออลมหายใจก็ไม่เที่ยงนะอันนี้ก็ไม่เที่ยงนะคุณจะรู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นการพิจารณาหรือว่าอันนี้เป็นความฟุ้งซ่านใช่ครับบางบางทีแยกไม่ออกครับท่านจริงจบางบางทีเราพกตำราเข้าไปในการนั่งสมาธิด้วย พอคุณออพกตําราเข้าไปในการนั่งสมาธิด้วยเอ้ยอันนี้มันฌานสองหรือเปล่าวะเฮ้ยหรือว่ากูถึงอรูปฌานแล้วมั้งเนี่ยนี่นี่สงสัยรูปฌานนี่โอ้ยแน่เลยโอ้ยนี่เห็นเกิดด้วยนะเห็นดับด้วยนะโอ้เหมือนที่พระเจ้าพูดไ้เลยเกิดดับเกิดดับแม่ฉันอุย้ยดีจังคราวนี้คิดดนเอาตําราเข้ามาด้วยนะถามว่าคที่คุณคิดคีคด้คุณคิดตรงเนี้ยเป็นฟุ้งซ่านหรือว่าจิตคุณเป็นสมาธิคุณจะรู้ได้ไงน่าจะเป็นฟุ้งซ่านนะครับอ่า เอาตัวอย่างง่ายๆที่สุดเลยเอาเรื่อง ใ, <ช>ในสมัยพุทธกาล<ช>พระอนุรุทธะคุยกับท่านพระสัรีบุตรอยู่คร<ช>ับพระอนุรุทธะคุยกับท่านพระสัตรีบุตรบอกว่าเออข้าแต่ท่านพระสัรีบุตรกระพาะเจ้าเนี่ยนะแม่นั่งสมาธินะจนได้ฌานสีนะแล้วก็ตรวจดูโลกธาตุพันหนึ่งนะก็ยังไม่บรรลุไม่รู้ยังไงเนี่ยคุยกับท่านพระสัรีบุตรอย่างนี้ท่านพระสัรีบุตรก็บอกว่าอืมการที่ท่านเข้าสมาธิเนี่ยนะ แล้วก็ตรวจดูโลกกธาตุพันหนึ่งเนี่ยเนี่ยคืออุท ธ, ธาจักของของท่าน<ม>ความฟุ้งซ่านของท่านแล้วนะครามฟุง้งซ่านแล้วการที่ท่านคิดว่าโอ้ยเราก็ยังไม่บรรลุนะอันเนี้ยคือมานะของท่านอืมอืมครับละเอียดขนาดนั้นนะถามว่าคนที่เข้าสมาธิจนกระทั่งตรวจดูโลกกธาตุพันหนึ่งได้จิเป็นสมาธิไหม<ต>เป็น น, นะมารุโเป็รเป็นแน่นอนแล้วถามว่าทําไมยังมีความอุท ธ, ธาจักรอยู่อะ่ะอืม โอ้โหแล้วถามว่าเวลาที่คุณเคลื่อนมือไปบนเคลื่อนไอ้เจ้าแว่นขยายของเราที่รับการปรับโฟกัสแล้วเนี่ยนะไปบนกระดาษนะคุณต้องคอยระวังอย่างมากไม่ให้หลุดโฟกัสเด็ดขาดครับใช่เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาเราเห็นความไม่เที่ยงเราเห็นความดับไปคุณรู้ได้ไงว่าตรงนั้นจิตคุณออกจากสมาธิหรือยังบางทีเราฟุ้งซ่านเกินไปแล้วเราพิจารณานั้นพิจารณานี่แล้วก็พิจารณาโน่นโอ้โอ้บ่้เบาเบา เอาแค่นิ่งๆไว้ก่อนหรือ<ม>บางทีเรานิ่งไปแล้ว เ, เราน้อมจิตไปเพื่อการพิจารณาเราต้องคอยปรับตลอดเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละพระเจ้าจึงบอกสมถะและวิปัสสนาต้องเคียงกู้กันไปโดยมีสติเป็นตัวคุมว่าอันไหนมากอันไหนหน้อยครับเมื่อเสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงความที่เจตโตสมถะในภายในกับอธิปัญญาธรรมะวิปัสสนาต้องสมดุลกันใช่ครับรอ่านี่คือคลักษณะรตรงนี้ยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเวลาที่เราอย่างคนมีสตินะครับเขาเดินไปที่ไหน อย่างพระสงฆ์อย่างเงี้ยคุณต้องฝึกสตินะปะบวชใหม่มาคุณก็มาในกติก็มาในสาราคุณกราบพระนะคุณเดินตั้งไหนต้องเดินเบาเบนะต้องระลึกได้ว่าฉันต้องเดินเบาเบาต้องระลึกได้เวลาเปิดประตูปิประตูฉันต้องทําอะไรเบาเบาบางทีเปิดตุ้มตบก่ะสมคุณหลงสติแล้วเมื่อทีคุณเข้ามากราบพระคุณลืมกราบพระหรือเมื่อทีกราบพระไปเอ้ยฉันกราบไปกี่ทีแล้ววะนี่มัน6กทีหรือยังหรือ5้ทีแล้วหรือมัน3ทีหรือยังอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณต้องมมีีีีีีสสตตติิรงนนนนน้้ททว่่่าคอยูเะ ครับบางทีเรากราบพระไปเอ้ยนี่มันกี่ทีแล้วเราลืมถามว่าอย่างเงี้ยขาดสติไหมขาดครับทำไมหมอเล่าผมว่าขาดสติอ่ะมันคือบางทีเรามีสติอยู่ในอิริยาบถย่อยนะเอ็นลงไปเอ็นขึ้นมามือไปจดจมูกเฮ้ยนี่มันกี่ทีแล้ววะอืมเออบางคนเป็นนะหมอเล่าทุกผงบางคนกราบช้าช้าช้าจนกระทั่งเอ๊กกูกราบไปกี่ทีแล้ววะ จำไม่ได้อย่างนี้ก็แสดงว่าสติหลุดนี่ครับเพราะว่าจำก็คือก็คือว่าก็ไม่รู้ว่าแน่นคือคือทรงจิตไว้แน่นเกินไปหรือรวมเกินไปเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นในขณะที่ในขณะที่เราอธิบายด้วยคำพูดยังไงดีอะธรมาก็คงจะอธิบายด้วยคำพูดเท่าที่จะอธิบายได้นะว่าบางทีเราต้องทรงจิตไว้ในลักษณะที่เล็กบางทีเราต้องทรงจิตไว้ในลักษณะที่กว้าง เราจะไม่สามารถเอาไปในรีบด์ย่อยได้ในขณะเดยียวกันบางทีเราก็ต้องเอาให้มันใหญ่ขึ้นมาเพื่อที่จะได้รู้ว่าทำอะไรอยู่ดังนั้ น, นสติก็จะมีหลายระดับอย่างนี้อ๋อครับไม่ไม่ใช่เรื่องยากนะแต่เป็นเรื่องที่ฝึกได้ละเอียดอ่าอย่างเช่นว่าคนที่ทำอาหารเนี่ยคนป ร, ร, รุงอาหารหมอรัตพงเขา บ, บางคนเนี่ยแม้ทำอาหารยังไงก็ไม่อร่อยครับนี่เคยดูเชฟเชฟคนหนึ่งก็บอกว่า คุณจะทําอาหารเก่งเนี่ยนะคุณจะต้องรู้สามอย่างคือ1คุณจะต้องรู้รสชาติของเครื่องปรุงครสองคุณจะต้องรู้อคุณจะต้องไม่กลัวไฟสาคุณจะต้องไม่กลัวมีดถ้าคุณไม่กลัวมีดไม่กลัวไฟแล้วคุณใช้เครื่องปรุงรู้รสชาติของเครื่องปรุงคุณเป็นยอดพ่อขัวยอดแม่กลัวได้อ่าทีนี้อย่างบางคนเนี่ยทําไม่เป็นเลยทำอาหารยังไงมันไม่อร่อยเพราะว่าเขาไม่รู้รสชาติเครื่องปรุงว่าอ๋อนนี้เค็มอย่างเค็มเกลืออย่างเงี้ย แค่เค็มสีอิ้วเค็มน้ำปลาเหมือนคนละเค็มกันไม่เหมือนกัน ค, คุณเอาไปใส่ข้าวต้มอย่างเงี้ยถ้าเป็นข้าวต้มโจ๊กอย่างเงี้ยคุณเอาน้ำปลามาใส่กินไม่ได้เรื่องมันต้องสีอิว้ว<ช>เพราะรมันคนละเค็มใช่ไหมใช่ครับเช่นเดียวกันคนที่เขาจะมารู้รสตรงเนี้ยมันต้องเป็นยอดพ่อคัวถึงจะมารู้รสได้แต่นี่มันไม่ย้ำไปฝึกก็ได้ เนะี่ยคุณทำอาหารฝรั่งเศสไม่เป็นใช่ไหมคุณไ่เข้าคอร์สเี่ยนนะเขาอธิบาย<อ>คุณอย่างนี้เครื่องปรอย่างนี้คุณใส่อย่างนี้ใส่นี้ก่อนใส่นี้หลังใช้ความรู้เท่านี้อุปกรณ์ใส่ทั้งนี้ปุ๊ บ, บ, บ, บ, บ, บอามาโอโ้โหเป็นสเต็กจานหนึ่งแม่ เ, <อ>เยี่ยมไปเลยใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ฝึกกันได้ฝึกได้ครับได้ในลักษณะที่ว่าเออเรารู้การที่เราจะปรุงอาหารยังขับรถง่ายๆอย่างเงี้ยครับแรกๆเนี่ยนะอยคนไปฝึกขับรถสมัยก่อนอาจายังจาได้เราไปฝึกขับรถเนี่ยมือซ้ายต้องใส่เกียร์ เกียร์สมัยก่อนมันไม่มีเกียร์เจ้าเกียร์ เ, เกียร์ยรอัอตโต้ใช่ไหมมีแต่เกียร์ ก, กระปุกมือขาซ้ายเราต้องเหยียบคราชเหยียบคราชเราต้องมองกระจกข้างสองบานกระจกหลังบานหนึ่งข้างหน้าด้วยมือรเราต้องจับพวงมาลัยแล้วนี่เราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วทางเราจิตเราต้องดูว่าเอ็กซ์กูจะไปทางซ้ายหรือทางขวาหรือตรงไปเส้นทางเรามาถูกไหมนหูยังต้องฟังคน ข, งข้างๆว่าเขาจะบอกอะไรเราอีกโอ้โหยมันมันมากเกินไปเราทำไม่ไหวหรอกใช่ครับแต่พ่อขับไป ตอนแรกฝึกขับขึ้นสะพานก่อนพอขับขึ้นสะพานได้ออมั่นใจนิดหนึงเอาขับออกถนนเล็กๆซอยก่อนแพอออกซอยได้มั่นใจนิดหนึ่งออกถนนแบบข้างๆเล็กๆคือออถนนใหญ่นั่นแหละแต่เป็นถนนที่มีรถน้อยหน่อยอันนี้มั่นใจขึ้นอีกหน่อยหนึ่งเอาออกถนนใหญ่จริงๆเลยอันนี้มั่นใจมากขึ้นเอาขับทางไกลเลยขับทางไกลแล้วดีลัไม่มีปัญหาเอาเราไปชนสักสองสามทียิ่งมั่นใจมากขึ้นทีนี้พอตอนที่มั่นใจมากแล้วเนี่ยนะเฮ้ยมันรบกวนเลย มือซ้ายเข้าเกียร์ใช่ไหมมือขวาจับปวโงมาไหลเท้าซ้ายเหยียบคลัชเท้าขวาเหยียบคันเร่งหน้านะตาดูกระจกสาบานสี่บานนะัหูหนึงอะไรหนึ่งเน็บโทรศัพท์อยู่ปากก็พูดกับคนข้างๆจิตก็นึกไปว่าฉันจะขับไปทางไหนคนข้างๆก็สาบพูดใส่อีกหูหนึงเรามาจิตก็พูดถึงคนอื่นไปอีกโอ้มันทําได้ในเวลาเดียวกันหมดครับจริงๆครับเออมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่า ส, สติไงมันมัน มันไวตรงที่ว่าเราแบบไปทั่วไปทั่วอย่างเนี้ยนะอ <ม h. S 1> เพราะฉะนั้นคือการระลึกได้ครับการระลึกได้ในขณะที่เราระลึกถึงอิริบทย่อยๆเราก็ระลึกถึงอีริบทใหญ่ๆได้อืมเพราะฉะนั้นถามว่าเวลาที่เราย่อยลงไปย่อยลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไ ป, เ, งไปเนี่ยมันก็มีสติกำกับอยู่ตลอดได้ใช่ครับอืมอันนั้นที่ทําได้หลายๆอย่างจริงๆจิต บอกว่าจิตจริงๆมีอารมณ์เดียวแต่ว่ามันเกิดดับเกิดดับอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับด้วยการกํากับของสติอย่างนี้ไหมครับ เ, เกิดดับเป็นธรรมชาติของจิตครับนาการกํากับเป็นหน้าที่ของอะไรคือการระลึกได้คือสติเพราะงั้นการที่จิตไปเกิดดับนะแล้วมายังระลึกได้อยู่ว่าเออฉันไม่ไปคิดนอกเรื่องนะฉันไม่ไปทําสิ่งที่เป็นอกุศลนั่นคือสติในะสติถ้าจะพูดก็คือเป็นกิริยาของอะไรของจิต ในการที่อะไรในการที่จะมารู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งครับออาครับถ้าเรามารับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็มันนึกถึงสิ่งเนี้ยเรานึกถึงสิ่งนี้ขณะนี้เรานึกถึงทําการจํานวนกลับครั้งที่กลับพระแล้วอีกครั้งหนึ่งเราก็นึกถึงการยกแขนการเอ็นตัวอีกหนึ่งเราก็นึกถึงว่าเราจะต้องขยับกล้ามเนื้อตรงนี้ขยับขาตรงนี้ ขึ้นมาตรง น, นี้สติก็เระลึกว่าไปกี่ครั้งกี่ครั้งัอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าไปพร้อมๆกันนะอืมซึ่งซึ่งก็ทําได้เอดูพ่อครัวลีลาในการทําอาหารของบางคนเนี่ยแม่มันเขาก็หยอกอั น, นี่ใส่อันนี่มือจับอันนั่นปากพูดไปด้วยโอ้มันดูแล้วมันก็โอ้เขาก็ทําได้ดเนาะเราก็โยนบางคนแบบว่าเอากระทะแล้วก็โยนโยนไอ้พวก อาหารเนะี่ยตัวแมสอนะขึ้นมาแล้วก็แม่ดีไ ล, ล่เหลือด้านน้ำลายเขพูดไปไ ด, ด้วยเราไม่รู้ว่าน้ําลายมันลงนไปในกระทะเท่าไหร่บ้าง <c oughs> ต้องมีทีนี้ว่าตรงนี้นะสิ่งที่ประเด็นที่จะต้องพูดตรงนี้ก็คือว่าสติที่เราเราควบคู่ไปกับจิตเนี่ยวุฒิเจ้าว่าจิตเนี่ยจะเป็นที่เล่นไปสู่สตินานแล้วสติเนี่ยจะเล่นไปสู่ว <With mood. S 1> ิมุติวิมุติค หมายความว่าเวลาที่เราระลึกถึงสิ่งพวกนี้เนี่ยนะอะจิตของเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยนะจะเรียกว่าเป็นจิตที่มีจิตตะในอิทธิบาทสี่ในอิทธิบาทสี่คือส่วนที่เป็นจิตตะคือมีความระลึกจออยู่ตลอดเวลาครับในทุกระดับอแล้วการที่คุณอย่างยกตัวอย่างคุณไปเรียนขับรถหรือคุณไปเรียนทำมาหารเนี่ยนั่นคือวิมังษาครับอ ค, คุณฝึกเข้ามามีคุณสัตบัยในการฝึกอย่างพระห ม, มายบวชมากอ้าวคุณฝึกการะพระไปที่ไหนคุณทําอะไรเบาๆมีสติกาบพร ะ, พะทําอะไรที่เบาเปิดประตูเบาวปิดประตูเบาถึงแม้ว่าอยู่คนเดียวแต่พวกนี้เป็นการฝึกวิววมังษาเ ป, เป็นขั้นตอนกระบวนการในการฝึกอยู่ได้ครับอืมหมายังอย่างตอนบวชพูดถึงขอแทรกนิดนึงครับตอนตอนฉันอย่างช้อนช้อนสเตลเลตกับบาทเนี้ยแต่ว่า มันจะต้องมีสติควบคุมมากๆเลยนะแตกไม่ดีถึงครูดคลิกอืหรือตอนครับเราเราต้องระลึกว่าเออเราจะต้องไม่ครูดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอย่างเราเราบอกว่าสติคุมเนี่ยก็พูดถูกนะเป็นเป็นพระริชนะว่าเรามีสติรักษาจิตนะสติเนี่ยรักษาจิตนะฟังอีกทีหนึ่งสติรักษาจิตครั บ, รบแล้วจิตเนี่ยรักษาจิตในลักษณะที่ไม่ให้อกุศรัทธาเกิด ในที่นี้คือถ้าเราเกรงเกินไปจิตก็จะฟุง้งซ่านถ้าเราหย่อนเกินไปจิตก็จะเกียจคร้านก็จะทําไม่ได้ไม่ทําเบื่อเสีงแย่ไปงงไปเพราะฉะนั้นสติเนี่ยจะเป็นกิริยาที่มาคอยรักษาจิตนะก็คือการที่เราจับเจ้าตัวแว่นขยายเนี่ยเราจะต้องไม่แน่นเกินไปนะไม่อ่อนแอรงเกินไปนไม่หลวมเกินไป ใ, ในขณะเดียวกันเราต้องเคลื่อนไปด้วย เพราะฉะนั้นตรงนี้สติเนี่ยทักษามหมดเลยอืมใช่ครับทีนี้อย่างกรณีของท่านพระอนุรุทธะกับท่านภาษาดิบุตรบทสนทนาตรงนั้นเนี่ย อ, อคนที่ยังไม่มีสติละเอียดถึงขนาดที่อ๋อตรงนี้เป็นมานะของเราอ๋อตรงนี้เป็นอุทาจารของเราอย่างเงี้ยเขาจะละไม่ได้ไงจะละไม่ได้แม่คุณ ย, ยังไม่เป็นผ้าหันแต่ถ้าเมื่อไหร่ในะสติของคุณละเอียดมาก สามารระลึกสิ่งที่เล็กน้อยขณะจิตตันีโอ้ชันไม่เอยล้วปลยดีกว่านั่นแหละคุณจะบรรลุปเป็นพระราหันได้ตรงนี้ อ, อาศัยส ต, ติตรงนี้ครับมันโอ้ยดวงตาบัวใช้คําว่ามหาสติมาหาบัญญาตรงนี้นะอ๋อครบับติดตึ๊บติดตึ๊บจิตไปไหนมันติดตึ๊บจิตไปหนสติคู่กันไปเน่นกันไปอย่างนี้ลักษณะนี้ครับเพราะฉะนั้นจิตมันละเอียดใช่ไหมสติเราต้องละเอียดตามไปนั้นอีกอืมเคียงคู่ไปเลยใช่ครับ ตรงนี้แหละเราฝึกได้อเราเราก็ทําได้ครับอออแล้วก็เวลาที่เราฝึกตรงนี้ไปเนี่ยมันก็ค่อยๆเป็นค่อยไปบางทีเราเห็นตรงนี้เราไม่เห็นตรงนั้นอะคุณก็ค่อยทําไปนเราก็ไปเติมอินทรีย์มีศรัทธามีวิรยิยะสติสมาธิ ป, ปัญญาให้ให้พร้อมทายัางไงอ่ะคุณไปฟังสุดตะสังสมสุดตะสะิหรือว่าไปกินอาหารพอควรนะล้วก็อยู่ในเนสนาสนะอันสงัดบ้างอย่างนี้ ก็จะสร้างเหตุปัจจัยที่เราทําให้ดีขึ้นอย่างการให้ทานจะคะก็เป็นใช่ใช่ช่วยได้หมดครับทีนี้ว่าที่เราพูดกันในรายการนะหมอรัพงเราบางคนอาจจะเข้าใจว่าโอ้โหนี่มันมุ่งความเป็นพระสารเลยคมันโอ้สูงเกินไปสําหรับฉันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเกินเอื้อมอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ่งบางทีเนี่ยจะมาทํารายการกับคุณสันสนีเนี่ยคุณสันสนีก็จะพูดประเด็นนี้ออกมาเหมือนกันแต่สำหรับผู้ฟังรายการวิทยุที่เป็นวงกว้างเนี่ยเราจะไป เฉพาะจุดนี้เนี่ยมันก็จะทําให้อาจจะบางคนฟังเข้าใจยากนะซึ่งก็ต้องบอกว่ามันทุกระดับนะ ค, บคืออย่างในครั้งพุทธกาลเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปอยู่ป่าแล้วคุณนั่งหลับตาแล้วก็ตึมคุณเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ใช่อย่างนั้นอยู่ตอนหน้าคนมากๆเลยนะเป็นรพระอรหันต์ก็มีอนะกําลังอยู่ในงานบวชเป็นพระอรหันต์ก็มี โอ้โแบบอปิงป้งปิ้งขึ้นมานใช่อืครับอย่างพระบางรูปอ่าสาเร็จเป็นพระหันนะตอนที่ลงผมอยู่อย่างเงี้ยก็มี อ, อย่างพระปายะอย่างเงี้อยอยู่ ใ, <ช>ในกลางเมืองเลยนะนกําลังคนอื้ออึงเลยพระผู้ชากําลังบินตบาดคนแหกันใส่บาดอยู่บรรุเป็นบระห<อ>ันเนอะมันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปอะไรนะเพราะฉะนั้นมันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราครับอเราทําจิตยังไงล่ะคุณทําจิตอย่างมีสติอย่างนี้ได้ไหม มีอยู่เรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆใแล้วักษณะนี้เราจะได้เราจะได้ก็คือให้กลมกลืนกับวิถีชีวิตด้วยแค่ว่าคุณตื่นเช้ามาแล้วก็ทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่คุณไปทํางานขยันขันแข็งไม่อยู่ในอกุศลธรรมจิตมีกุศลธรรมอยู่ในศีลแค่นี้คุณมีธรรมะแล้วครับคุณเพิ่มอินทรีย์ของคุณแล้วอินทรีย์ของคุณแก่กล้าขึ้นแล้วครับอ ในขณะเดียวกันทุกคุณมีเวลาคุณก็ไปหลกเล่นเพิ่มด้วยนะสร้างเหตุป <Summer. S 1> ัจจัยอื่นที่สําคัญเข้าไปคุณมีเวลาคุณก็อ่านหนังสือธรรมะด้วยคุณมีเวลาคุณก็ฟังธรรมะด้วยฟังธรรมครับครับอย่างปัจจุบันเองอธรรมะจะทําเป็น MP3 เป็น CD เป็นอย่างเงี้ยดีวใส่ในรถก็ฟังได้อย่างตัวเองก็ทำใช่จะมีเวลาในรถเยอะครับก็เทคโนโลยีของเราก็ช่วยได้หลายอย่างเนาะใช่ใช่ครับใช่ครับ ยังคิดว่าคนปัจจุบันถ้าใยในทางธรรมเนี่ยผมว่ามีโอกาสมากกว่าคนสมัยก่อนพอสมควรนะครับใช่ถ้าเราพูดถึงเรื่องสื่อตรงนี้นะก็มีความเปิดกว้างมากกลับมาถึงเรื่องของสตินี่ตรงนี้นิดหนึ่งว่าที่จะมาพูดถึงว่าความที่เราจะต้องมาทรงสติเอาไว้อยู่เรื่อยๆเนี่ยนะเป็นความเพียรที่อยู่ในอิทธิบาทสีเป็นความเพียรที่อยู่ในอิทธิบาท4ี่ ครับเป็นวิริยะใช่ไหมครับวิริยะเป็นรับนวิริยะคแล้วเรามาส่งสติอยู่เรื่อยๆตรงนี้เป็นจิตตะรเรานึกถึงเรื่อยๆนึกถึงเรื่อยๆนึกถึงเรื่อยๆแล้วเราตั้งความพอใจในการที่เราจะทําตรงนี้เรื่อยๆนั่นก็คือฉันทะครับอืมประเด็นตรงนี้คือที่อาจารยมาต้องการจะพูดถึงวันวันนี้ที่พูดไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เย็นเน้นย้ำให้ชัดอีกนิดหนึ่งก็คือว่าคุณพกตําราเข้าไปในเวลานั่งสมาธิด้วย แต่ทำให้จิตของเราเนี่ยฟุ้งซ่านโดยไม่รู้ตัว ม, มีอุทธจักรโดยที่จิตยังเป็นสมาธิอืมะครั บ, ค, รบคือคือจะจะพูดยังไงดีละ่ะคือเราถือแว่นขยายอย่างอย่างพอสมควรอย่างมั่นคงใช่ไหมไม่หลวมเกินไปไม่แน่นเกินไปนะแต่วเวลาเคลื่อนไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าหลุดโฟกัสไอกระดาษมันก็ไม่ไม้เต็มที่มันก็เป็นแค่ลอยด่างๆสีสีดำๆโดยที่กระดาษไม่ทะลุอ ย, อย่างเงี้ยนั่นคือลักษณะอุทธจักรแล้วนะฟุ้งไปแล้ว นิดหนึ่งกูรู้ไหมอ่าลักษณะนี้เพรา ะ, ะนั้นเราจะรู้ได้ไงอะ่ะอุ้ยสติคุณต้องกำกับนิ่งลึกลงไปอีกด้วยอย่างงี้อืมครับอุทธัจจะใช่อัตมาก็มาพิจารณานะท่านพระอนุรุทธะเข้าสมาธิได้ฌานสี่พิจรนารณาโลกธาตุพันหนึ่งเป็นอุทธัจจะเหรอโอ้โหคุณ ม, มาลพงษ์เอ้ย มันละเอียดมากลเอียดมากละเอียดมากละเอียดมากครับตัวนี้เป็นสังโยชน์ที่ตัวที่แปดหรือนะครับใช่ลึกลงไประดับนั้นน่ะนะครับครับอุทธจักรครับใช่เราก็จะค่อยๆปฏิบัติไปครับให้มีความมั่นใจในวิธีการปฏิบัติแล้วก็หมันฟังธรรมะมันที่จะศึกษาเพิ่มเติมอย่างเงียมีคำถามอะไรก็เขียนถามเข้ามาเราก็จะสามารถที่จะ เปิดธรรมที่ถูกปิดให้ได้ครั<ม>ก็เน้นย้าเรื่องของพุทธวจนะด้วยใช่ไหมครับ<ม>ว่าพยายามให้ตีกรอบว่าเป็นพุทธวจนะ<ม>ก็จะได้มุง่งมุ่งตรงสู่ธรรมะของที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้นะครั บ, <ม>รบเพราะฉะนั้นก็คิดว่าถ้าท่านผู้ฟังมีคําถามใดๆก็ส่งมาได้แล้วก็ถ้าก็ติดตามในทางเพียรธรรมะต่อไปก็อาจะมีเนื้อหาข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้แล้วก็อย่างหนึ่งคือ เราก็คงจะทำหน้าเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังไปฟังรายการทางภาคาภาคออกอากาศทางวิทยุนะที่มีอยู่สองสามคลื่นตอนนี้แต่ก็สามารถกดลิงก์ไปฟังตรงนั้นได้เนื้อหาตรงนั้นก็จะค่อนข้างที่จะก็เรียกว่าหลากหลายมีหลากหลายอย่างอยู่ตรงนั้นด้วยมาจากทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ถ้า ง, งั้นก็พบกันใหม่ในตอนต่อไปคุณมรุตบงครับครับตอนต่อไป วันนี้ก็ควรแก่เวลานะครับ<ช>ก็กราบน้ำมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูุ์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธา น, นีครับเรีนบานสาธุครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ